ขอความเจริญในธรรมจุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงปะบทิยานกำลังนำเสนอมาถึงตอนที่พ ร, ระผู้มีพระภาคย้าซึ่งได้รับคำรัตนาจากสามบดีพรมให้ทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลกก็ทรงพิจารณาภาพรวมของชาวโลก ได้ออกมาในลักษณะต่างๆซึ่งท่งอุปมาเหมือนกับเรกบัวสามเหล่าคือเราหนึ่งก็ยังอยู่ใต้น้ำเหหนึงก็อยู่กลางๆแล้วแเรานึงก็ขึ้นมาพ้นน้ำน้องก็แสดงว่าคนทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะสั่งสอนให้รู้ทำมาได้ตามพื้นฐานของเขาก็ยิ่งย่อนแตกต่างกัน เช่นว่าในด้านอินซีก็มีอินซีอ่อนแล้วก็อินซีแก่กล้าอินซีแก่กล้าก็ได้รับผลที่สูงขึ้นอินซีอ่อนก็รับผลลดหลั่นกันลงมาแต่นั่นจึงรับสั่งกับท่านสมบดรพรมเป็นข้อความสาคัญแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มของผลิตบริษัท แม้ในปัจจุบันอยู่ด้วยแม้ข้อความเหล่านั้นจะสั้นๆก็ตามรับสั่งว่าเราเปิดประตูอามาตะาแก่ท่านแล้วสัตว์เราใดจะฟังจงน้อมศรัทธามาเถิดตุกกอนพรมเพราะเรามีความสำคัญในความลำบากจึงไม่แสดงธรรมที่เราคล่องแคล่วประนีตในหมู่ปนุษย์ กันธาสัมมดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระพักเจ้าวประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมจึงถวายบังคมธำประทักษิณแล้วก็อันตรทานไปสู่พรหมโลกร้นประเด็นสำคัญของความเป็นพุทธศาสนิกชนธรรมะทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ผ่านการ รวบรวมเรียบเรียงร้อยกลองกันมาจนถึงปัจจุบันก็สรุปรวมว่าในที่นี้ก็เรียกว่าประตูอมตะคือหมายความว่าเป็นทางดำเนินเข้าไปสู่ชีวิตที่เป็นอมตะก็คือไม่ตายในที่สุดแต่ไม่ใช่เป็นชีวิตในรันดอนะครว่าอมตะในที่นี้คือหมายความว่ายุติการเกิด เมื่อมีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บแล้วก็ไม่มีการตายก็เป็นการตัดรากง่าวของสังสารวัฏอย่างแท้จริงคนนี้ไม่ควรลืมก็คือว่าสมมดีโฟมกราบทูนราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอมฤุตรธรรมหรืออมตะธรรมก็คืออมตะเทศนา เป็นเทศนาที่แสดงถึงมรรควิธีที่ทำผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามให้ไม่ต้องเข้าสู่ความตายราเป็นการตัดรากงาวก็คือยุติที่ความเกิดองธรรมะที่กล่าวโดยสรุปก็คือเป็นอริยสัจเนี่ยากว่าบุคคลจับประเด็นให้ได้เราเจ็นว่าองค์ธรรมเวลานำมาแสดงนั้น จะเริ่มที่ทุกข์กร์สัก็ได้สมุทัยศาสตร์ก็ได้มรรคศสตร์ก็ไ ด, ได้นิโรธศาสตร์ก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพอเริ่มประพฤติปฏิบัติแล้วจากขยืดหมดทั้งชุดก็นี่ลองเทียบดูว่าทุกขักระสันั้นเหมือนกับความหิวสมุทัยศัสตร์ก็เหมือนกับเหตุที่หิวมรรคศาสตร์ก็เหมือนกับการรับประทานอาหาร โรตัสัตว์ก็เหมือนกับการเพิ่มขึ้นของอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วเขาก็ไปขจัดสาเหตุของความหิวกับความหิวพอถึงจุดหนึ่งไม่อิ่มเต็มที่ความหิวก็หมดเหตุหิเหตุ ห, ตหติวก็หมดไปเต็มที่ความผิวก็หมดไปเต็มที่โดยเจนว่าจะขับขยะขยะเยื่อนไปด้วยกันในกรณีนี้ก็คือเริ่มมาจากมา แต่บางครั้งบางคราวเป็นการสอนเช่นว่ายกเอาความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาพิจารณาเนี่ยโดยเจนว่าตัวความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์สัตว์จะจิตคนไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเราพลาดพลาดเราผืนเสียก็เดือดร้อนกับเรื่องเหล่าเนี้ที่เราสวดพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมาโสเกหิปิเด้เวหิเป็นต้นเนี่ย ความโศก ค, ความร่ําไรลําพันความทุกข์ความใส่ใจความขับแค้นใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์มันก็สืบเนื่องมาจากความพลาคพาดสูญเสียจากสิ่งที่ตนรักแล้วก็แสดงว่าเข้าใจผิดวสิ่งเหล่านั้นเราจะยึดถือว่าเป็นของเราหรือไม่เป็นของเรามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันเกิดเป็นมาอย่างไงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้น เขาเรียกว่าเป็นธรรมดาเข้ามันเป็นอย่างงี้ที่พระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่าคราวโดยสรุปแล้วก็คือจิตที่ยึดมั่นหรือมั่นในการนะคะนั่นเองเป็นความทุกข์ทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ไปเริ่มที่ตัวของนิโรธสัตว์เลยเช่นอนุสติบางอย่างอย่างอุปสมานุสติเนี่ยเป็นการนิริภานเป็นอารมณ์ ที่จริงนี่พานมาเป็นเป้าคล้ายๆกับโราป่วยเนี่ยเราต้องการหายหายนี่มันเป็นเป้าทีนี้ถ้าเรามาเรียนด้วยโครงสร้างของอาลยสัตก็เห็นว่าส ม, มุดฐานของการป่วยนั้นก็เหมือนกับสมุดทายสัตว์อาการป่วยปวดหัวปวดท้องอะไรก็ตามก็เหมือนกับทุกขสัต์การเยียวยารักษาการฉีดยาการรับประทานยาก็เป็นมรรคสัต การหายป่วยก็เป็นนิโรธศัตว์หายป่วยจึงเป็นเป้าหมายคือไม่ต้องทำอะไรเขาเวลาเราทำนั้นเป็นมักคุเทศกเช่นสมมติว่าเราจเจริญอนุสติข้อว่าอุปสมานุสติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มันก็เป็นความมุ่งมั่นที่จะไปสู่นิพพานแต่ว่าการปฏิบัติก็เดินไปตามโครงสร้างของอรเยมาส์ก็คือพูดง่ายๆนะฮะพูดง่ายๆว่าก็าอยู่ใน กิตติกขาคือที่สัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธินัตถิ์หรือจะจะเริ่มตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าต้องเริ่มที่อราริมัชทีนี้ในอาริมัชนั่นเองเราอาจจะเรียกชื่อต่างๆเป็นนันมากจะเรียกศีลสมาธิปัญญาเรียกทานศีลภาวนาเรียกการไม่ทําบาปทั้งปวงการทากุศลให้สมบูรณ์การทําจิตให้ผ่องแผ้วเรียกสะอาดสงบสว่างอะไรก็ตามนะคร ก็หมายถึงอริยมรรคเบี่ยแปลประการนั่นเองดังนั้นทางเหล่านเนี้ยตัวตัวอริยมรรคเนี่ยเป็นทางแห่งอมตะคือทางไม่ตายตัวนิโรธเนี่ยเป็นตัวอมตะคือไม่ตายตอ น, นเมื่อมาอยู่ฟนนังนี้ตัวทุกขสมมทัยก็ไม่มีเมื่อทุกขสมมาทัยไม่มีไอสังสารวัตมันก็ไม่มี เราจะเห็นว่าการที่คนเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสกระทำแล้วก็นำไปสู่สังสารทุกข์โดยประการต่างๆเนี่ยเพราะความสมบูรณ์ของอะเรมา ก, การเกิดขึ้นของนิโรธเนี่ยมันเป็นดับทัวสมุททยก็ทำให้ทุกข์มันดับแล้วก็ดับที่เกิดเลยก็ที่หัวมาเลยเมื่อเมื่อไม่เกิดก็จบเราเลิกพูดเรื่องอื่นคือแก่จะตายเนี่ยมันก็คือแับ กระบวนการปฏิจจสมบัติที่กล่าวไว้ในก่อนหน้านานมาแล้วนั่นเองทีนี้ประเด็นต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นหลักที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเรามองกันโดยในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาถ้าเรานับจากประโสดาพระอุตรค่ะมาเผยแผ่พุทธศาสนานั่นก็ตกประมาณ 2,200 กว่าปีแล้ว เราอาจกล่าวได้เลยว่าประเทศประเทศไทยเป็นเมืองพุทธประเทศไทยเป็นนินแดนแห่งภาคการสาวพัสด์เป็นสยามเมืองยิ้มซึ่งเป็นอิทธิพลของความมีเมตตรีและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าถามว่าปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องศรัทธาต่อศาสนาในกลุ่มชาวพุทธเองเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะว่าศรัทธาที่เป็นตัวหลั ก, ลกๆเนี่ย มันงอนแง่นหมดเลยมีปัญหาและไม่จะมีปัญหาเฉพาะเดียวนี้คือถ้าเรามองโดยสรุปแล้วมันความเป็นชาวพุทธของเรานั้นขัดแย้งกับตัวาศาสนธรรมมายความาศาสนธรรมจะเน้นย้ำอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะไปทางหนึ่งเวลานี้ถ้าถามเรื่องเชื่อเรื่องชีวิตหลังตายไหมเชื่อเรื่องสังสารวัฏไหมเชื่อเรื่องชาติก่อนไหมเชื่อเรื่องความมีอยู่ขอนรกสวรรค์ไหม ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เชื่อหรือว่ายังไม่แน่ใจและถ้าอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีนายแพทย์ท่านหนึ่งแต่ว่าอาตมาไม่ได้อ่านนะแต่แบบสอบถามนี่อีกคนเขามาเล่าให้ฟังว่าท่านไรออกแบบสอบถามพระภิกษุสามนเณรรุ่นใหม่ในกอทมอนี่แหละถึงความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏ ก็พูดได้หน้าตกใจนะฮะ 72% เนี่ยไม่เชื่อซึ่งถือว่าเป็นอันตรายที่สุดของความเป็นศาสนาเพราะว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้าไม่เลือกเชื่อกฎของกรรมเชื่อกฎของสังสารวัฏแดงเนี่ยก็คือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะในคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเรื่องกรรมสังสารวัฏทั้งโดยตรงในมหาสาลเลย โดยอ้อมคือหมายความแสดงถึงหลักธรรมจํานวนมากคือถ้าเราจะพูดแล้วเนี่ยธรรมะทั้งหมดในประเจกปิฎกนี่ b e โลกุตระธรรมอยู่แค่แค่เก้าข้อแล้วโลกุตระ จ, จริงๆนี่แค่สามเท่านั้นเองคือหมายความพ้นโลกไปเลยจริงๆนี่แค่สามข้อเท่านั้นเนอก น, นั้นจะอยู่ในกระแสของโลกุตระธรรมคือยังไม่พ้นไปจากโลกจริงๆคือมรรคสี่ผลสี่นี่ผ่านหนึ่ง แต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยคืออรหัตมรรตผลแล้วก็นิพานที่เป็นโลกุตระจริงๆอยู่พ้นไปจากโลกจริงๆนอกานั้นยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องตายอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งชาตินะนะแต่ทีนี้เมื่อศาสนิกไม่มีความเชื่อในเรื่องตรงนี้การก้าวหน้าก็เดินไปไม่ได้อย่างที่เคยพูดไว้ว่าข้อที่น่าน้อยใจเนี่ย บ้านเมืองเราไม่น่าจะมาพูดเรื่องโรคเอกไม่น่าจะมาพูดเรื่องยาเสพติดไม่น่าจะพูดเรื่องปัญหาแดดดำไปกลับเป็นปัญหาถาวรซึ่งมันขัดแย้งกับตัวศีลเบญจศีลนี่มันขัดแย้งกันไปหมดขัดแย้งกันจนนึกไม่ออกว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ค็นดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินนะ พี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาสามารถฆ่าสัตว์โดยไม่บาปได้แล้วก็ปล่อยอาชีพนี้เป็นเรื่องของเขาไปเลยก็ทำให้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเดําไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ศินค้าอื่นมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเจนรักทราบเป็นทําไมต้องรักละ่ะประพฤติผิดตามประเวณีทําไมต้องประพฤติผิดละ่ะโกหกทําไมต้องโกหกอ่ะดื่มเหล้าดื่มมาทําอะไรละ่ะมันจะมีปัญหาอยู่หน่อยนยงแค่เนี้ย แกหาอาหารมารับประทานนี่แหละบางครั้งบางคราวอาจจะตกต้อง่าดสาัตว์บ้างแต่ว่าเราสามารถปฏิบัติได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัจการที่สี่เคยทรงเสนอสีห้าอย่างหยาบว่าเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมคือไม่ถึงสมบูรณ์ว่าขออย่าฆ่าคนอย่าฆ่าสัตว์ใหญ่อย่าฆ่าสัตว์มีคุณข อ, อตรงนี้ก่อน แล้วก็สองเนี่ยถ้าจะลักเนี่ยสมมติว่าลักสมมติว่าสตางค์เขามีเท่าไรร้อบาทสมมติว่าร้อยบาทเออมันเรามีปัญหาจะขอก่อนสิบบาทอะไรแต่อะไรอย่างพอนักฟังได้ไม่ใช่ต้นเขาแล้วก็ฆ่าเขาด้วยในเรื่องประเวณีนี่นก็แน่นอนนะคือไปละเมิดไม่ได้โกหกก็อย่าถึงก็เสียหายใส่ความใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเป็นพยานในคดีที่กล่าวหาป้ายสีคนอื่น มันหาหรือโหดเกินไปดื่มสุราเลยจะถึงกับเมอมาไม้ก่อการทะเลาะวิวาดแต่ไม่ใช่ถือว่าเป็นศีลนะฮะเพียงแต่ว่าโ อ, อระดับนี้มันก็ลดปัหนานยากรรมลงไปได้เยอะนะแต่ถามมันเพราะอะไรเพราะคนไม่เชื่อปวดของกรรมทางนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะฮะ ทรงแสดงในตอนท้ายสีนี่มันจะชัดเจนเลยว่าสีเล น, นสุกติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะสีหมายความว่าอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าไม่มีสีก็คือตกนรกไม่ต้องไปดูที่อื่นถ้าดูตรงเนี้ยสมบูรณ์โดยภพกสมบัติก็เพราะสีทีนี้ถ้าจะเสื่อมจากภพกสมบัติก็เพราะไม่มีสีจะบรรลุมรรคผลที่ผ่านก็เพราะสี ทีนี้ถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีโอกาสที่จะสงบที่จะเย็นที่จะดับ ก, กิเลสได้ไม่ต้องพูดต้นง้ิพานเต็มที่หรอกแม่นิพานอ่อนๆก็ไปไม่แน่ปนัญหาเดียกรรมกลายเป็นปัญหาใหญ่เราปราบรบเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตแต่ทรัพย์สินมันไม่มีอะไรอื่นนอกจากพิศิษฐ์ห้เราปราบรคปัญหาโรคเอจก็ไม่มีอะไรอื่นไปจากการ ผิดศีลข้าข้อที่สามกับข้อที่ห้านะฮะเราพูดรัญญาสิบติดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรอื่นไปจากกันผิดศีลข้อที่ห้านั้นแสดงถึงความถดถอยของศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นสังคมยุคของพระองค์ ว่าเห็นจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงจิตใจของศาสนิกคือหนึ่งศรัทธาเรื่องใสต่อพระพุทธเจ้านี้เลื่อนลอยมากเราสามารถจะดูที่ไหนก็ได้บางทีที่วัดแท้ๆนะฮะวันในโบสถแท้ๆเลยบางทีมีรูปฤาษีมีรูปกวนอิมมีรูปอะไรมันไปอยู่วางไว้หน้าพระพุทธรูป แล้วเเผวอวัดกรรมฐานนี่เอารูปตัวเองไปวางไว้หน้าพระพุทธรูปเลยนั่นคือแสดงว่าศรัทธาต่อพระรัตนตรัยในฐานะที่พระพุทธปฏิมาเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรมีรูปอื่นไปวางข้างหน้าแล้วก็แสดงเห็นเรื่งความไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าและประการต่อไปก็คือความรุ่มแรง มีการฆ่ามีการทำลายล้างกันมีการต่อสู้กันในแ่ะขาวเลือกตั้งกันเนี้อาตมาพูดมาหลายปีแล้วไม่ใช่หลายวีหลายเดือนนะ น, นะแถวแถวต้นปีนะพูดกับพวกผู้แทนหลายคนนะบอกคุณระวองดูกันแล้วกันตอนเลือกตั้งนะมันจะฆ่ากันตั้งแต่ต้นไปนะฮะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมื่อก่อนก็อ่านพบในมติชนนานมาแล้วนะก็เกือบพบ50ห้าสิบแล้วตอนนี้คงเกินไปแล้วนะ อันเรื่องอะไรมันผิดทั้งศีลแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นครอบครัวของคนอื่นก็เป็นทรัพย์ของคนอื่นทําลายชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเห็นไหมมันเกิดไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคุณจะสมัครพูดแทนคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์สมัครคุณไม่ได้แข่งกับใครก็แข่งกับตัวเองเสนอตัวเลือกมันเหมือนกับสินค้าที่วางขายในตลาดเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันอะไร แต่ว่าเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าคุณต้องการอะไรล่ะอาจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว เ, เรียงกันสี่ห้าร้านก็ได้แต่คุณชอบกินอะไรคุณก็กินแต่ถ้าเราดูริมถนนรอนแคมต่างๆผู้บ้านที่เมืองเรานะเราเห็นว่าแต่ละภาคในสินค้าแนวเดียวกันนี่วางเรียงรายเป็นแถวเลยทําไมคนเหล่านั้นไม่ข่ากันไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกัน มันเป็นทางเลือกให้คนอื่นทำไมจะต้องบีบบังคับนั่นคือถ้าเราหยุดคิดหน่อยเดียวเนี่ยว่าเป็นบาปเนียและบาปนั้นเราจะต้องชดใช้หลังจากตายไปแล้วแล้วก็หลายภพหลายชาติแต่เราก็ไม่เชื่อเนี่ยผมเชื่อผมมีปัญหาในการเผยแผ่ในการศึกษาศา ส, สนา ถ้าเราเทียบดูเวลาเนี้นะศาสนิกที่เขาเชื่อมั่นในศาสนาของเขาเนี่ยเราต้องยกให้อิสลามนิดหนึ่งคือเชื่อมั่นในศาสนาของเขามากแล้วใครบิดเบือนใส่คล้ายป้ายสีไม่ได้ด้วยก็เรียกว่าคำพีต้องศักดิ์สิทธิ์เลยจะลองลงมาเป็นศาสนาซิกนะฮะไม่ใช่ศาสนาคริ ส, ารสาศาสนาซิกนี่เคร่งครัดมากแล้วก็ศาสนา ค, ร, คาริสระมาณคาทลิก และก็ศาสนาเชนก็จะให้ความสำคัญศาสนาพราหมณ์สนานดูนะให้ความสำคัญแก่ประเวทแต่ของเราเนี่ยพระแท้ๆเนี่ยพูดปฏิเสธพระไตรปิฎกน่าเฉยต่เฉยเอาไระไตรปิดกเป็นหนังสือธรรมดาไปเป็นตาราเครื่องกรรณาสงเราเนีนที่จริงอ่อนแอมาก วันก่อนไปแจกวุธิบัต ร, น, รนัเเกรเรียนเขาเข้าไข่เขาเรียกอธิจิตบูชาก็มีกิจกรรมต่างๆเด็กเล็กๆนะรักษาศีลแปดเไม่กินเ้าเย็นนะแล้วก่อนขึ้นรถกลับเนี่ยอาจารย์เขากดถามถึงปัญหาการเผยแผ่ศาสนาว่าทำยังไงเวลาเนี่ยเพื่อเพื่อขึ้นมาก็เห็นในศาสนาอื่น ทำไมศาสนาพุทธจึงไม่ทำงานในเชิงรูกบ้างก็ไม่อยากจะพูดะนะะมันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติอยู่ด้วยเพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะสงฆ์ฉบับศูนย์ห้าแล้วแก็แก่ไขเพิ่มเติมสามห้าเนี่ยไม่มีองค์กรทางการศึกษาคือตัวพระราชบัญญัติเองนะเวลานี้นมีแต่ว่าไม่ไม่เคลื่อนไหวเลย เพราะว่าเอามหาเทระสมาคมเป็นหัวหมดทุกทุกคณะเจ็ดคณะนะฮะกรรมการฝ่ายศึกษาฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายอะไรต่ออะไรหกหรือเจ็ดคณะเนี่ยตั้งมาสามปีแล้วเอามาก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยคนหนึ่งไม่เคยเคลื่อนไหวเลยขอพบหัวหน้าหลายครั้งก็อย่า ง, ง น, นั้นไม่ไม่นันก็เลยเลิกเลยทำเองดีกว่าทีนี้เมื่อ คนเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เพิ่มเติมข้อมูลให้เขาสุดทายก็งันแงนคลางแคลนแล้วก็กลายมาเป็นปนัญหาดญกรรมต่างๆปัญหามันไม่ยากหรอกคือถ้าเรามองเราดูง่ายๆในะเรื่องพระภัยมณีที่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งที่ว่าประการหนึ่งซึ่งขาดประสาศาสนาทั่วโลกาเกิดทุกถึงยุคเห็นขั้นจะกลับรับร้อนผ่อนให้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีปณีกัน ทอนนี้โลกมันก็สงบแล้วนั่นคืออะไรคือว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกฎของกรรมแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวของกันและกันโลกมันก็สงบได้แล้วหรือปันหนึ่งคือปัญหาเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ คือบางครั้งนี่หดหูแล้วก็หนักใจนะะในฐานะที่เป็นพระซึ่งอยู่กับเด็กอบรมเด็กอยู่ตลอดเนี่ยคือเด็กกระถามมัญหาเนี่ยแต่มัญหาเรื่องพ่อข่าวพ่อทำอย่างงั้นกับลูกข่าวอย่างงั้นอย่างงั้นเนี่ยเราก็อธิบายเป็นคุ้งเป็นแคลร์เลยทีนี้อธิบายยากมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นประจักษ์พยานเพียงแต่ว่าเราพูดได้เห็นว่ามันเป็นไม่ได้เปอร์เซ็น มันเป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในหลายล้านก็เกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแต่ภาพลักษณ์จริงๆของพ่อแม่นั้นก็คือพ่อแม่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นพ่อแม่อยู่นี่มีอนเนกอันนั้นก็เรียกว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็แล้วกันนะแต่ที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นสีดำที่ป้ายลงบนแผ่นผ้าขาวแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธเม่อมันไม่ดำ พอวันดําแล้วนี่เพราะอะไรเพราะว่าต้นหาราคะแรงเกินไปแล้วก็คนก็ประมาดโดยลองสังเกตตัวแม้แต่ทอดป้าป่าทอดกะถีเ น, นี่อุตสาหตายกันเป็นกะินมรณะป้าป่ามรณนะเอาโยงเงิได้ยังไงก็ไม่รู้คนละเรื่องกันเลยเพราะงั้นท่านก็สอนเรื่องก็เรียกจตุรารักกรรมาฐานไว้คือหนึ่งให้เจริญพุทธานุสติ สองให้พยายามแผ่เมตตาสาให้พยายามมองเห็นความไม่สวยงามของสังขารร่างกายแล้วก็สีให้เจริญมโนสติเอาไว้ถามมาแก้ปัญหาได้เวรนี้มันก็ปัญหาอย่างนั้นเนี่ยปัญหามาจากความศรัทธาเลื่อนใสที่เลื่อนลอยขาดความเมตตาจิตต่อการมากในตัณหาราคะแล้วก็มัวหมอบประมาณถ้าถามเท่าไหร่เพราะไม่มีศรัทธาเนะ ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าม่มีศรัทธาในกฎแห่งกรรมดังกล่าวท่านฝั่งทัง้งหลายแต่รวมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพศาลในธรรมจงีดีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี